ไหนอยทยี่ใจที่ใจสมาธิก็เหมือนซันปัญญาก็เหมือนซ้ำมัจะอยู่ตามที่ตามกาลังเรานำมาที่นี่ที่เจอมาให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญามันก็เกิดมีเกาะมีที่พึ่งของใจใครที่นี้จีตพึ่งของใจแล้วคนนั้นก็สุขกว็สบายทังโลกจะวุ่นวายแกป่วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันเป็นเรื่องทั้งโลก ใจของเราที่เจรณารู้แจ้งเข้าใจจริงอย่างเรามันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยไม่มีอะไรที่จะมายกเว้นใจอีกนี่คือการประพฤติปฏิบัติเมื่อทุกคนได้สดับแล้วฟังทำบรรยายที่อธิบายมาจงนาไปที่นิคือเจรณาศึกษาจึงใดที่ถือว่าเป็น ทางทางดำเนินท้องใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปสิ่งใดที่เป็นส ม, มุดไทยไปมันถูกหมดมันผิดหมดต้องนำไปกาหนดที่เรณาอะไรที่เป็นอาจเป็นธรรมนํำสิ่งนั้นไ ป, ปตปฏิบัติเมื่อทุกคนสนใจใฝ่ฝันตั้งหน้าปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นวาพอสมควรเจอกเวลาขอยิตเพียงแค่นี้อย่างของศาสนาก็ะหม่อมเสียงกลองถ้ามีกรองแล้วแล้วไม่ตีมันก็ไม่ดังให้ศาสนาจะมีอยู่แต่เราไม่รู้ที่จะเอาเรื่องของศาสนา มารักษาใจใจของเราแล้วก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้คนที่สนใจอยากอยากสบายก็ต้องพูดกายพูดใจของตัวในทางพุทธศาสนาถ้าหากพฤติไปตามเรื่องของศาสนาปล่อยให้เรื่องที่เลืของตัวอยอยู่ไป กิเลสเป็นสาธาดาแล้วมันไม่มีเวลาที่จะสงบจุกได้เพราะกิเลสมันไม่มีเงพอได้เท่าไรก็อยากได้มากเหลื่อยไปได้ย่ีฝั่งมีฝาหาความพอความสงบในดัางจิตใจของคนโดยมากมันก็พอมองเห็นแต่มันไม่ ทัดเจนไม่เห็นจริงให้เกิดมา <c oughs> ทุกคนก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเขาของเงินทองอะไรมามาจะตัวหนังหุ่มกระดูกเท่านั้นไม่มีอะไรจิดตัวมาเหมือนตายไปก็ทำนองเดียวกันสมบัติทัศน์ฐานทีหามาไว้มากน้อยขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะขนไปได้ แกแต่กายของตัวก็เป็นเผ่าเป็นขาดเป็นยินเป็นน้ำไปตามผาดของมันทุกคนก็สหฮับดีอยู่เรื่องเหล่านี้แ่มันไม่เข่าถึงจิตถึงใจจริงจังความรู้แบบนี้ทางศาสนาัถือว่าอวิชชาคือรู้ไม่จริงรู้ผิดรู้ผิเผิน เมื่อพอถึงจิตถึงใจของตนจริงจังมันก็เลยหลงอยู่ที่แก่จิตใจให้หายจากความหลงไม่ได้รู้หลงหลงทั้งรู้อยู่จะหลงหลงอยู่ไม่รู้เป็นสตรเป็นธรรมความรู้แบบนี้มันมีประจํามนุษย์ทั่วไปพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านรู้ถ้าไม่รู้แบบนี้ รู้ฟังชั่นมันเห็นไปจากชาติเป็นจริงจัจิตใจจิตใจคล่องแหวกยึดถือได้สิ่งอย่างนั้นมันจกไปหมดไปไม่มีอะไรสงสัยความเป็นจริงอย่างมีอย่างไรทราาั้งาบตามความจริงจริงอย่างนั้นมานผิดกันตรงนี้ท่านจึงอยู่ดีมีสุขไม่เกิด ก, กิเลสปัญหาราะเหมือนพวกเราทั่วไปการฝึก จิตสุดใจเขาทิ้งอาจทิ้งทำจริงจังมันเห็นอันนี้สงในตนทองตนและทำให้คนอื่นทั่วไปได้รับความสุขความเย็นความสบายไป ด, ด้วยเพราะท่า น, นเป็นชิดเป็นไทยอยู่สถานที่ดใดเคยทำทุกทำโทษให้แก่สัตว์และบุคคลอื่นๆท่านจึงเป็นสุขะโต ในเหนือเอเวลาท่านอยู่กับเป็นสุขะโตไปกับเป็นสุขะโตมากัเป็นสุขะโตเพราะท่านอยู่ดีไปดีมาดีไม่มีอะไรที่จะชั่วจะเสียเหมือนพวกเราท่านท่านจึงเป็นสุขะโตในตัวของท่านและบุคคลผู้อื่นที่จะเกี่ยวข้องคนดีมีเพียงนิดหน่อยกว่ามีคุณค่ามีสาระ เหมือ น, นเช็ดซอยนิดแต้น้อยก็ราคาสูงท่านจะดีจะวิเศษอย่างนั้นก็เพราะอาศัยต่างๆน่ า, างางบากบั่นพอเช็ดปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรที่ท่านบอกท่านห้ามว่าเหละไม่ทำจริงเหล่านั้น เราก็เพยายามละพยายามเว้นไม่เอายี่ดปัญหาเป็นศาสดาคือไม่เชื่อเรื่องท้องใจอยากทำอยากพูดอยากคิดเชื่อเรื่องของอัดท้องทำที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนถ้าทำไปผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั้นไม่มีใครอื่นเขาจะมารับให้ ตัวของตัวเองจะเป็นผู้รับกรรมชั่วเห่นนั้นกลัวกรรมชั่วเหมือนคนที่อาบน้ำแต่งตัวสะอาดแล้วกลัวของโสกโปกต่สามารถที่จะไปหยิบยกแบบหามจึ่ ง, งเหน่นนั้นพอเป็นสกโกมันเน่ามันเหม็นกรรมชั่วถ่วไป ในว่าทางกายทำวาจาพูดใจคิดทัางที่เป็นบัณฑิต <c oughs> เป็นนักปราชญ์มีจิตใจสะอาดในอาจในทัติกับทำนองเดียวกันท่านไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องในความชั่วต่างๆเหีน้นไม่ทำไม่บำเพ็ญที่ชั่วที่เสียเพราะถือว่าเป็นของเน่าของเหม็น ของไม่เป็นสา ร, ระประโยชน์มีพวกเราทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่มีกายมีใจเหมือนท่านแต่ก็เหมือ น, นิดปิดบังเอาหมดเม่เกิดอะไรขึ้นมาไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขความคิดความปรุงของใจก็เลยบงังคับออกมาทางวาจาให้พูด ออกมาทางกายให้ทมทางขวทางเสียไปต่างๆเพราะขาดปัญญาตายานภายในไม่ทาวว่าพูดไปทาไปมันจะเสียจะหายถึงรู้ได้ก็ไม่ถึงจิตถึงใจหวังจะแก้แทนคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้จับผิดคนอื่นไม่จับผิดตนเอง คนอื่นที่ทาชั่วทาเสียเรามองเห็นง่ายโทษของเขามองเห็นง่ายแต่โทษของตัวเองมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันจึงแผลเขาเจ้าตัวเองและคนอื่นให้เดือดร้อนไม่สุขไม่สบายไม่สงบเย็นเย็นให้โลกทั่วไปมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีแบบนี้ ผู้ที่เกิดที่นีที่เจรินาอัตธรรมมันก็มีมีทางแก้ไขไม่มีทางชำระแต่สางออกไปคนทุกคนเกิดมามันเป็นแบบนี้เรื่องจิตใจมีความหวั่นไหวมีความเอ็นเอียงไปตามเรื่องต่างๆเห็นดีเป็นชั่วเห็นผิดเป็นถูกอยู่เรื่อยไปเพราะ ใจยังไม่ชำระสาสามันเป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นเหมือนกันกับเผือกมันที่เราจะไม่ต้มเลยเผาให้มันสุกิึงมันไม่เบื่อเรารับทานลงไปมันเกาะคันพอหรือเป็นพิษเป็นภัยไม่น่ารับทานให้แตเราไปเผาไปต้มให้มันสุกแล้วตัวเผือกหัวนั้นมันหัวนั้นเนี่ยมันไมีรส ทำลดเหืถถ่องอะไรมีแต่เป็นประโยชน์เสียทาเสีขันของผู้ที่รับทานลงไปเท่านั้นนี่เรื่องทำของพระพุทธเจ้าก็ททำนองเดียวกันทุกคนทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นเวลาค่ า, าตันหาเเสีดมาแล้วก็ทราบโกเกิดขึ้นมาแล้วก็ทราบ แกไม่มีปัญญาที่จะละจะถอนแล้วไม่ได้สนใจปล่อยให้มันเกิดอยู่บ่อยผลที่สุดทำหนาแน่นของความชุ่ขมันก็หนาแน่นขึ้นไปเหมือนกันกับลานวัดของเราไม่ได้ปัดกว่าใบไม้มันจีวมันตกลงมาที่นีคทีหน่อย หลายวันเช่ามันก่อเต็มลานวัดปัดกวาดตัวไม่ค่อยจะไหวถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราทำความสะอาดอยู่ทุกวันมันตกลงมาแล้วก็สร้าบปัดออกไปกวาดออกไปให้สะอาดเราจะเดินจะนันนง่งมันสะดวกสบายสะอาดมีจิตใจของพวกเราท่าน ที่ขาดสติปัญญาขาดธรรมะของผู้ใจเจากก้ากับธรรมนองเดียวกันปล่อยให้สัญญาอารมณ์ต่างๆไหลทับผมโจมตีจิตใจอยู่เลือ่อยไฟในสนใจในการชาระสะสางตัวเองในโทษคนอื่นเรื่องคนอื่นที่ชั่วผี่เสียมองเห็นแต่มันเป็นกับตัวมองมาเห็นผงโสตตาตัวเองเลยไม่ทราบว่าจะแก้ไข วิธีใดอาศัยคนอื่นแก้ไขให้แต่ถ้าแก้ไขไม่ถูกจะหลีกนิสัยรกโสดอีกลำบากเราต้องเห็นเรื่องชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีพยายามบังคับบัญชา <c oughs> ที่มิตเจรินะตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เหลือวิสัยท่าสั่งใจประพฤติปฏิบัติ จะเป็นจะเห็นจะรู้เพราะธรรมะในผูกขาดว่าให้คนนั้นปฏิบัติให้คนนี้ปฏิบัติคนนั้นจะมีจิตมีส่วนคนนี้ไม่มีจิตมีส่วนไม่มีภาษต่างหนา้าต่างๆ า, งางภาวนาละที่เหล็กจริงจังทุกคนมีจิตที่จะเห็นจะเป็นในจิตในใจจิตใจที่เห็นที่เป็น อาจรรมันสาาุกมันสบายมันเย็นมันไม่เป็นคิดเป็นไทยแก่ตัวของตัวเองใครสถานที่ใดยัน่า <c oughs> องอาจฟาหารพอจิตใจเบิกบานจิตใจมีชั่วทุกคนตาเขียน เป็นธรรมะในจิตในใจจะยินดีเลื่อมใสในตัวของตัวเองและเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าผันหรือษาวกผูชลเจริญหาผันมีความสุขความสบายอย่างนี้อาศัยธรรมะที่ผันแนี้สอนเอาไว้เราจึงใดตั้งใจประเวทปฏิบัติจึงเห็นจึงเอย่างนี้าบตแล้วศาสตร์เา เื่อมใสเต็มใจในอาธิธรรมที่ท่านแนะนำเพียงเห็นนิดหน่อยสุขสบายนิดหน่อยละที่เหลือได้นิดหน่อยก็ให้ทํามสุขความสบายประทับใจอยู่นะเมื่อละได้ขาดมันจะสุขจะสบายขนาดไหนมันก็พอมีทางที่จะพิจารณาไปพอมีทางที่จะ เชื่อเรื่อมใสในตามสัพพิปฏิบัตินี่ไม่เห็นไม่เกินอะไรให้จิตใจเคยมืดบอดอย่างไรก็มืดบอดมาอย่างนั้นมีครูมีอาจารย์ไปแนวสอนขนาดไหนพอใจมืดบอดมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันกับคนบอดถึงถ้าคิดใชจันท์ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามันมีอยู่ แต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นกับเขาพอมันบอดมันมืดมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเราขัานก็ทํานองเดียวกันมืดบอดชนิดนี้ไม่มียาอันอื่นที่จะกาจัดให้มันสว่างสวดยได้นอกจากอัรรมทิ่พระพุทธเจ้าท่วงนีสอนเท่านั้นมารักษางมั่นทีนิดเพื่อในนะ ความจิตทวาใจให้สงบการฝูงกลุ่มจิตเนึกจิดตามสัญญาอารมณ์นั้นมันไม่มีความสงบไม่มีความเย่าเย็นห้เราควรจะเห็นคิดเห็นไถ่ทัง้งหมดไม่ควรจะส่งจิตไปตามสัญญาอารมณ์ ถ้าเราหับห้ามเอาไว้ไม่เชื่อเรื่องสัญญาอารมณ์ที่มาอยู่ยุ่จิตใจตั้งมั่นบริกรรมก่อตามกาหนดลมหายใจก่อตามเอากันจริงจังมันจะมีทางสงบระงับให้จิตสงบระงับรวมรวมได้มันถุกมันสบายพอถอดถอนมาที่นี่พิจารณาอะไรสิ่งนั้น ก็จะแจ่มใสขับเคลนในจิตในใจเรียกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในสินต่างๆทีชัวสงสัยขับไล่กิเลสการหาที่ใช่ของจิตในจิตใน ใ, นใจให้หลุดให้ตกออกไป้าปัญญาเข้าถึงเรื่องกิเลสการหาจะต้องพังออกไปหลุดออกไปได้ นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเพียงแต่สัญญาเท่านั้นจำท่านมาท่านพูดอย่างนั้นก็พูดไปตามท่านแต่ความจริงจิตใจมันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรามีปัญญาจริงจังมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเพียงสัญญารู้พูดได้แต่จิตใจมันยังเต็มไปด้วยกิเลสกัญหาเพราะไม่มีปัญญา ที่จะแก้ไขให้ขาดตกออกไปขาปัญญาจริงจังเจียงนิดนิดหน่อยหน่อยรู้ไม่มากเท่าไรกว่าสามารถแก้ไขจิที่ชั่เวขี้เสียให้ตกให้หลุดไปได้จิตก็มีความฉุกความสบายนี่คือเรื่องปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้สามารถฝาดปัญิเลสค่ะเพราะเพราะอาศัยจิตใจมีสมาธิขานนักแน่น รวมรวมข้องใจเป็นเพื่อนฐานที่จะให้สัญญาสามารถคิดอ่านแก้ไขจิตใจที่คล่องจิตต่างๆให้จบไปถ้าเรามีธรรมะในกายในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมะเพราะที่จะเตือนสติไม่ให้เหอให้หลง ทุกควรกําหนดรู้ทุกมันมีอยู่ที่ไหนดินต้าอากาศมันบ่นว่ามันเป็นทุกไหมต้นไม้ภูเขามันบ่นว่ามันสุกมันทุกไหมนอกจากใจของเราถ้านั้นเป็นทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากของใจอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้มันเลยเกิดทุกควรกําหนดให้รู้ ตามเป็นจริงท้องมันชาติกีทุกขาช <c oughs> าติความเกิดเป็นทุกขาที่เจา้านะกงจริงแล้วมันเป็นสาเหตุสําคัญอย่างทุกก์ต่างๆที่จะเกิดมีขึ้นก็เพราะอาศาัยชาติความเกิดเท่านั้นถ้าไม่มีคว า, ามเกิดแล้วแจ่มันก็ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บมันก็ไม่มีที่จะมาเบียดเบียนหนาร้อน อ่อนแฉงต่างๆไม่มีทุกข์ทนลำบากอยากเย็นต่างๆมันก็าหายไปความแจ็ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายก็ไม่มีนี่แล้วกลัวจะตายเากิดแล้วไม่กลัวเราไม่ดับเหตุของมัน่อยากได้ผลคือความสุขความสบายมันจะได้ผลมาจากที่ไหนผลมันเกิดขึ้นจากต้นของมัน แล่วผลอะไรมันเกิดขึ้นจากต้นทางนั้นผลมะม่วงมะพร้าวขนูนถ้าไม่มีต้นเน่ะไม่มีผลมีต้นเพื่อก่อนถึงมีผลส่วนของทุกข์ก็คือส่วนของวามเกิดเราทำอย่างไรเราถึงจะไม่เกิด พระพุทธเจ้าสอนการดับเกิดเกิดนั้นมาจากอะไรท่านสอนในําหรับตาราท่านสอนเอาไว้ท่านพิจารณาอย่างไรท่านจึงดับความเกิดของทั้นได้เราก็เคยอ่านเคยเห็นตามตํำรับําลา แต้เมื่อเกิดมาแล้วไม่อยากให้แกให้ตายนั้นมันห้ามไม่ได้พยายามที่จะนาให้เห็นตามเป็นจริงของมันพอเกิดมาแล้วความเปลี่ยนแปลงความแฉ่ความเจ็บความตายในวันใดกววันหนึ่งมันจะมาถึงเราในกล่องพูดเอาตายที่หมดสันติที่ความสืบต่อ หมดลมหายใจระยะที่เรามานั่งอยู่นี้มันก็ตายไปความตายไปของกายของใจมันตายอยู่ทุกระยะทุกเวลาแต่เราไมา่พิจารณาความตายเหล่านั้นเราไปกลัวแต่ใจหมดลมหายใจเท่านั้นความจริงมันตายไปวันเวลาก็ตายไปขาดทั้งสี่มันก็ตายไปอยู่เรื่อยๆแขนทั้งหามันก็ตายไป ตามหน้าที่ของมันเห็นแล้วท่ายออกอย่างนี้ดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมันออกไปหมดทุกอย่างแต่เราก็ไม่กลัวพเพราะสันติความผืบต่อของมันยังมีอยู่ถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาไปเสียแต่เมื่อตายหมดลมหายใจเรากลัวกันกลัวเพราะเหตุใดกลัวเพราะความไม่อยากตายความไม่อยากเนี่ย เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ในจิตในใจอันหนึ่งทุกข์ของใจในม่สามารถที่จะดับได้เพราะเป็นเรื่องของขันทุกข์ของใจนั้นพระพุทธเจ้าบ่งบอกและแนสอนให้พวกเราจำจ่ายป่าเต่าออกไปให้หมดให้สิ้นอย่าให้มีทุกข์ของใจเพราะเป็นจริงที่ําจัดยขับไล่ได้ ในเลือวิสัยทุกท้องใจก็เกิดจากปัญหาทั้งสามทางศาสนาทางธรรมะทางพ ร, ระทางกล่าวะสมุทยัยคือปัญหาทั้งสามธามมะปัญหาความยากในาจคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในนี้วันมีเวลาเพียงพอ ปุงจิตจิตคอนในรูปมากก่าจิตในรูปเบือรูปนี้ชอบรูปใหม่พะใจในเดี๋ยพิจัยนาในธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าพิจัยนาในธรรมรูปที่เราคล้องแลวยึดถืออยากได้มันเป็นรูปอะไรกันแนะ่ได้มาแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไป ในตัวของเรามีหรือไม่รูปแบบนั้นาหากเรากลนคิดที่เจนากันจริงจังรูปส่วนใหญ่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ที่คล้องจิตคิดรงกันนั้นก็รูปตรงกันข้ามสัตว์ตัวผู้ก็ยินดีกับสัตวตัวเมียมนุษย์ตัวผู้ก็ยินดีกับมนุษย์ตัวเมียอีกเหมือนกันตัวเมียก็ยินดีกับตัวผู้ รูปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถึงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คอยจะมาบำรวงรูปเหล่านี้มันทรงอยู่ให้เขายินดีให้เขาฝ่าทนาความลหลงไหลใส่ฝันของจิตของใจยินดีในรูปตรงกันข้ามมันเป็นอย่างนั้น เพราะไม่มีอับมีธรรมในใจจึ ง, ลงหลงไหลใฝ่ฝัน่าซิอับมีธรรมในจิตในใจที่เจนนาตามธรรมะยิ่งชังรูปสักแสบรูปมีความเกิดขึ้นมีความแปรปวนและแกสลายเหมือนกันหมดรูปนอกก็เป็นอย่างนั้นรูปในคือตัวของเราเองก็เป็นอย่างนั้นรูปอันนี้ ศาสธร์จาราโดยใจเป็นธรรมมันไม่มีการลุ่มหลงมัวเมาเถิดเพินติดข้องหน้าขีดของมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปตามหน้าขีดของมันจะมีเขาของเ ง, งินทองมีผู้มาปฏิบัติอุปถาก ร, แรูแลารักษามากขนาดไหนจะห้ามไม่เห้นมันเป็นไปตามหน้าขีดของมันคือไม่เห้มันแก่มันก็ห้ามไม่ได้ ม่เห็นมันเจ็บมันตายมันก็ห้ามไม่ได้มันจะเป็นใจตามหนาที่ของมันอย่างนั้นมันไม่หลงไหลใส่ฝันไม่มีรักไม่ชอบใครรูปอันนี้ถ้ามมีจิตมีใจแต่เอาใส่รูปอันนี้ที่เรารุ่มเราหลงเพราะจิตใจนีมีอาจมีมันเลยคิดที่นี้ที่เจนะหาสาเหตุของมันเลยถือกัน มันเป็นพระรูปเราจึงหลงในผิอว่าจิตของเราหลงมันจึงไปยึดถือรูป ท, ท, ท่้งๆจีแต่ก่อนเราไม่เห็นเราก็ไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีความอดยากข้าวพอไปเห็นเข้ารูปจีเราชอบใจมันเกิดกำหนัดยินดีเกิดข้ามยาได้ไฟฝันถ้ามันหนักเข้าไม่มีอาจมีทำห้ามตันจิตใจ มันก็ไปใหญ่จนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้รูปนั้นมาตามปรารถนาไม่มีความสุขความสบายให้บางคนผูกคอตายกินยาตายเ็าอยากได้รูปอันนั้นไม่ได้ตามปรารถนาเกิดทุกข์เกิดโทษจนข่าตัวตายผมหรือบางที รูปนั้นที่เราต่องา้างแยกจะพ้องรูปเขาเขาไม่สาธนาเราก้เราที่หลงไหลใส่ฝันพอเลยจะทําสิ่งไดจิงหนึ่งขึ้นเกิอทุกเกิดโทษให้เขาจับคุมคุมตัวโกมีประหัตประหารตายโกมีมันเป็นอย่างนี้นี่ก้พอหลง ในจิตในใจในมีอาจมีธรรมถ้าเราพิจารณาเรื่องของรูปมันเหมือนกันในวา ร, รูปของเราหรือของท่านถึงเรียกว่ารูปมันเหมือนกันทั้งหมดถ้าจิตรู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงอย่างนั้นจะไปหลงไหลทำไมกันรูปของเรามันมีอยู่เรามีรูปเป็นทุกข์เป็นโทษขนาดไหน มีรูปอื่นเขามา่เกี่ยวข้องมันจะเป็นอย่างไรมันก็ทราบแต่ตัวข้องตัวก่อนรักษาไม่ใ ห, มให้เจ็ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้รูปอื่นที่เราอยากได้มันก็ทํานองเดียวกันทําไมจึงไปลงหลงไหลฝ่ายฝันมันมีทางที่จะหักแหมตัดเตือนตัวเองเหวี่ให้ไขาใจนี่มันไม่ไข่ไข่คิดเรื่องอาจทําอย่างนั้น เสียงก็เหมือนกันมันใฝ่ฝันมันยากได้เสียงนั้นเทอะทะเพราะที่อย่างนั้นอย่างนี้คนที่เสียเงนินเสียทองไปพเพราะเสียงนับไม่ได้เพราะคนลุ่มหลงในเสียงในเกลื่อนาคนรู้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใฝ่ฝันหลงไหล คนที่มีเสียงดีๆโลกเขาชอบก็เพราะหาจินพรเสียงก็ได้นในต่อไปเรียนวิชาอื่นเสียงร้องเพลงให้เขาฟังตอนนั้นเขาจับจิตจับใจเขาให้รังวะมีเงินมีทองมีเสาร์มีของใ้าสอยค่ะเขานิยมชมชอบเสียงก็เป็นเหตุอันหนึ่ง ถึงมน ốt, ุษย์ผู้ตกอยู่ในที่เหลือการหาชอบจิตคิดปุงกันเสียงของเรามีหรือไม่มันก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ยินดีพอใจในเสียงของเราลเลยอยากไปฟังเสีงยงทางนอกมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นโทษมีหมายถึงกามมรกคุณความอยากในกามมรกคุณรถอื่น ่อื่นก็พอหาดมได้ในลำบากอยากเย็นเท่าไรแต่ก็จิตข้องเสียหายได้เหมือนกันรถส่วนนั้นดึกสิ่นส่วนนั้นด้วยส่วนใหญ่ที่มนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปติดกันกพรรถตรงกันข้ามมันชอบสัมผัสก็เหมือนกัน ปูกเพราะบาหมอนเคยนั่งเคยนูนว่อนดีเท่าไรมันก็ยังไม่เท่าเท่ากับสัมผัสของคนนี่เคื่อจิตที่มืดมิดขาดจากอาจจะทํามันลุ่มมันหลงอย่างนี้เมื่อมันหลงมันยินดีกับแสวงหาเมื่อแสวงหาไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ได้ไหมก็เกิดทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในการบังคับบัญชา มันจะเปลนไปตามเรื่องท้องมันขาดขันตัวของตัวบังคับไม่ได้รูปอื่นเสียงอื่นเรื่องอื่นคนอื่นที่ว่าเกี่ยวข้องมันก็บังคับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิด ท, ทุกข์ขึ้นมีเพียงเดียวกามตันหาคนที่มีกามาจันหาความอยากในการอย่างนี้มันเกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจถ้าไม่แก้ไข ใครแกไขก็คือแก้ไขตามทำสิพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพี่เจนะอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเจานะเป็นธาเสมอกันทั้งเราทั้งท่านมันก็ขาดออกไปตกออกไปเพราะจิตรู้เห็นตามเป็นจริงในจิตเหมือนนั้นมันป่อยมันวางพายังไม่ขาดไม่ละไม่วางพี่เจนะมันเลื่อยไป เหมือกลับเราเดินทางยังไม่ถึงจุดหมาตายทางเราจะต้องเดินเรื่อยไปหรือเหมือนเรารับทานเรายังไม่อิม่มเราจะทานเรื่อยไปเมื่อมันอิ่มไม่ต้องบอกมันหยุดมันเองมันปล่อยมันเองพึ่งอาหารจะมีเหลืออยู่มันก่อทานไม่ได้เพราะมันอิม่มเราเดินไปถึงที่ถึงถามถึงจะบังคับให้ไปก็อีก มันก็เหตุใดพอถึงจิตจุดหมาตายทางที่เราต้องการแล้วมี่การที่เจนาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องรูป ก, กับธรรมนองเดียวกันหานพี่เจนาไอ้มันถึงจุดหมาตายทางแล้วมันทราบจากตัวของตัวเองรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรถมีสัมผัสมีอยู่ในโลกแกมันก็่อในของจิตคิดปรุงมันไในหลงไหลใส่ฝัน มันไม่บาบอเหมือนเราที่ยังไม่มีธรรมะในจิตในใจมันจริงอยู่สะดวกสบายไม่เป็นภัยอันตรายในจิตในใจทลองตัวนี่คือการละตามมาตัญหาเดือดการพิจารณาอัดรมเพราะว่าตัญหาก็เป็นริ่งเียทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษ ภาวะคือพบคือความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของพวกเราพวกท่านทํานองเยืกันคนที่่วงรับดับหายไปทําในอดีตที่ผ่านมาหรือครังหน้ามันก็จะเป็นทํานองเยืกันความผิดข้องในพบพอถือว่าพบที่อยู่ที่อาศัยอันน่นี้ถึงมีทุกข์มีโทษก็ยังพออาศัยอยู่ จึงจิตจยงข้องไม่อยากหนียินดีเต็มใจอยู่ในทุกมีคือความติดข้องของจิตขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของใจไม่อยากไปที่ไหนเกิดก็เพราะม้เกิดเป็นมนุษย์อีกไม่อย่างนั้นจะอยากไปเกิดเป็นเทวดาบุตรเทวดาทีดาคิดตรงไปอย่างนั้นถ้าไปนิพพานแล้วคงจะไม่มีสุขมีความสบายอะไร คงจะง้อยเงาฮะพักผัวเกลื่อนปุงมนี้ได้ความคิดความปรุงในจิตในใจคนที่ยังไม่มีอาจมีทำมาคิดปรุงไปอย่างนั้นคิดว่าท่านจะไม่มีความสนุกสุขสบายอาะไรเพราะนิพพานนั้นไม่มีตัวมีตนนิพพานนั้นแผ่นผือว่า ยิพานางประมังศินดังคือศูนย์ไม่มีวิเจอรักพรไม่มีหนังให้ดูไม่มีหูือมีเสียงส่วนอื่นนั้นคงไม่สนุกทุกคนสี่เกิดมาในีิเจนาธรรมจิตใจในอย่างถึงอัดถึ่งทำจริงจังไม่มีใครปรารถนะอยากไปถึงพูดก็พูดอย่างนั้นเนี่ย ไม่อยากไปนิพพานแต่จิตใจจะอยากไปจริงจังนั้นไม่มีวันเวลาถ้าหากมีคนนำยานพาหนะมาใครจะไปนิพพานไปเยอะนี้ไปหมคนส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นยานพาหนะอันนั้นเพราะไม่อยากไปกันติดข้องในทุกที่อยู่ที่อาศัยของตัวมันเป็นอย่างนี้พบจึงเป็นเรื่อง สำคัญอันหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจเรียกว่าภาวะกัรหาคือความจิตทบความเป็นอยู่ของตัวยิบภวะตัรหานั้นถ้าไม่อยากมีอยากเกินในจิตในใจมันมีด้วยการทุกคนไม่อยากมีอยากเกินอะไร ไม่อย่างนี้อยากเกินสิงที่ใจไม่ปราถนาเช่นความแก่เราไม่อยากแก่ความเจ็บเราไม่อยากเจ็บความตายเราไม่อยากตายไม่อยากได้สิ่งที่ไม่มีอยากเท่าไร่มันก็ไม่สมปราถนาเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ให้ตายมันมีที่ไหนแต่ทําไมจิตใจจึงหลงไหลใฝ่ฝันจึงเป็นบ้าวอย่างนั้นเราควรจะที่นี้ที่แก่นะแก่ไขมัน ถ้รู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อแก่มันตกในริ่งเหล่านี้มีโรคความดับทุกในใจจะโผล่ขึ้นเกิดขึ้นเห็นขึ้นไม่เป็นทุกเป็นโทษเหมือนก่อนทั้งสิงที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแต่จิตใจก็ไหม่ไฝ่ฝันลหลงไหลไม่แวะข้องเพราะทราบดี ด้วยความที่วิธีเจนาด้วยสติด้วยปัญญาเชียงไหม่หลวงไหลเชียงใหม่จิตคล่องเราเมื่อเึีงเหล่านี้ไม่จิตคล่องในจิตในใจทุกภัยไม่มีในจิตในใจมันก็สุขก็สบายมันไม่มีภัยอันตรายเหมือนกันกันกบกายไม่มีโรคจะไปมาเดินเหิหนนั่งนอนที่ไหนก็สะดวกสบาย การมีโรคภัยภายในกายถึงร่างกายเจะวันนี้ที่มันอยู่ต่อตามมันก็ไปไลยได้แข่งขายกไปขึ้น้าโรคมันหนักเข้ามันเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราโรคภัยสำคัญกว่าคิวอย่างกิเลสกันหาขันจึ้ ง, งห้ละให้ปล่อยให้ที่นีิพจานพยายามรักษาให้มันหายโดยอุบายสติปัญญา เหมือนที่นี่พี่แกนาสะสะสายเลื่อยไจใจจะหายจากทุกจากโทษส่วนนั้นนี่คือการปฏิบัติใจของตัวทุกคนมีสิตที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นได้ถ้าหาตั้งจิตตั้งใจจะทำมัม่นเพ็ญจริงจังเชื่อมั่นในอาจทำคำสั่งสอนของผู้ได้จ้ากว่าเป็นมียานี่แต่ทำ คือทำที่จะนำคนผู้บ่ชปฏิบัติให้พ้นทุกข์นโทษได้แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ตั้งใจปฏิบัติกันจริงจังมันจึงไม่เห็นไม่เป็นให้เพราะไม่มีเหตุที่จะให้เกิดผลทำก่อนทำนิดๆหน่อยๆทำไปพอเสียไม่ได้ผลเกิดขึ้นก่อนนิดๆหน่อยๆ ไม่สามารถที่จะแก้ไขจิตใจสิจิตข้องหรือลุ่มหลงให้หมดไปฉะนั้นให้ตั้งใจที่นิดพี่เจนาตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติรักษามีแต่ปัญญาแนีสอนตัวสม่ำเสมอความหลงไหลใส่ฝันอยู่ในจิตในใจนั้นใช้ปัญญาพี่เจนา อย่างจริงจังให้เห็นเหตุของมันมือจะได้ละให้เกิดผลสึมพนธ์เห็นส่นต่อของมันเราจะละจะถอนจะแก่จะไขมันก็แก่ไขไม่ได้ไม่ทราบว่ามันมาจากคิดใดทางใดหนีการที่จะรียนมาการฝึกรักษาจิตใจ ทางศาสนา้ามานํนำความสุขความสบายความเยือกเย็นมาให้แก่กายแก่ใจทองตัวแต่นั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีสิทิที่จะปฏิบัติขัดแย้งทำที่พระพุทธเจ้าสอนทะมุม่งมั่นตั้งใจกันจริงจังไม่เหลือวิสัย จะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของตนจงพยายามจะ ท, ทําบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นให้รู้อยา่าเกิดมาเป็นมนุษย์เสียชาติเป็นโมฆะบุคคลคือหาสาระแฉลสารอะไรไม่ได้ความหลงไหลใส่สันไปในรูปเสียงอร่างรายต่างๆ สัตว์ทั่วไปมันก็มีได้การกินการดื่มการผสมพันสัตว์มันก็มีเหมือนซันกับมนุษย์ในจิตแตกจากสั่งอะไรสั่งเราถ้ายั ง, ลงหลงไหลใส่ฝันยังบ้าบอยอยู่อย่างนั้นเราก็สับทัวหนึ่งอย่ากให้มันมืดบอดพยายามทําให้มันสว่างจิตใจ มันจึงจะเห็นทางปลอดไทยเสือดับทุกของใจได้เสือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ใจของทุกคนท่าทางหน้าต่งางตาที่เนารักษาทุกโทษก็ไม่มีเจ้ า, จาที่ไหนเกิดขึ้นจากกายจากใจทท้านั้น เพะนั้นการที่เจนานายใจไปทางอาัดทางทำจึงเป็นเรื่องแก่ทุกแก่โทษแก่กิเลสกันหาถ้าที่เจนาไปในทางกิเลสก็อันนี้แหละตัวการสําคัญที่จะทำให้พวกเราท่านเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้เราต้องการอะไรต้องการทุกโทษหรอือต้องการความสงบเย็นไป พี่แจน่ะละสิ่งขี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบําเพ็ญสิ่งขี่พระพุทธเจ้าสอนให้บําเพ็ญเมื่อทุกท่านพยายามที่นี้พี่จน่ะตามธรรมะขี่พระพุทธเจ้าสอนอก็จะไปศพความฉุกความเจริญการอธิบายธรรมะ ผมลาพอสมควรเสียเวลาไว้ยืดหยุนนี้เออบัง